เราต่อนี้ไปเพื่อพากันตั้งใจเรามารวมกันอยู่ที่สาลาการประเรนนี้ก็เพื่อที่จะมาฝึกตั้งใจตั้งใจหมายความว่าไม่ให้จิตมันคิดไปทางอื่นให้มันตั้งลงในปัจจุบันนี้เราอยู่ตามธรรมดา ยากที่จะทำจิตให้นิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ส่วนมากมันก็มีแต่คิดส่งสายไปในความที่ปล่อยจิตให้คิดส่งสายไปในอดีตในอนาคตอยู่เสมอเสมอเนี่มันเคยชินอย่างนั้นแล้วเมื่อจะมาบังคับให้มัน สงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี่มันยากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสำรวมจิตยอยู่เสมอถ้าหากว่าไม่มีเรื่องสำคัญที่คนจะคิดก็ไม่คิดเลยถ้าจะคิดก็คิดไปตามแนวของกรรมฐานคิดถึงร่างกาย ร่างกายนี่มันเป็นยังไงมันสวยงามหรือไม่สวยงามมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงวันหนึ่งตอนเช้าประวินทบาทพรราหุลห่มผ้าแล้วก็มาคอยประสาสดายอยู่ ทางที่ยอกบวบินาศท่านไปเกิดความคิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ได้ว่าเป็นความคิดคงจะเป็นกรารมาวิตกอะไรไปสำนองนี้แหละเราประสาทธรรดาทรงรู้ก็ทรงตักเตือนแตคุณคิดอย่างนี้จิตใจเป็นไปอย่างนี้นะ ก็ไม่ควรที่จะไปวินทบทัตรพระราหุลก็เลยไม่ไ ม, ไม่ปวินธบัตินนั่นนะแล้วก็ไม่ฉันซ้ำนี่แหละ อ, อุบายวิธีฝึกจิตใจก็จะจะยกเรื่องราวของภาษาอกแต่คัำวุติการมาแสดงสู่กันฟัง พอเป็นเครื่องพิจารณาว่าการฝึกผนจิตนี่เป็นอาการลิโกไม่อ้างการอ้างเวลาเป็นไม่เฉพาะแต่จะไปฝึ ก, กจิตเอาทุ่เวลานั่งสมาธิภาวนาเท่านั้นหาไม่ได้มันต้องฝึกไปตลอดเวลาเลยเยินเดินนั่งนอนกินเด่มพูดจาปราศัยทำการทำงานอะไร ก็มีสติสมปชั์ญนไม่ลืมกายไม่ลืมจิตอันนี้มันจิตใจมันจึงจะแปลปวดไม่แปลปลนไปตามอำนาจแห่งกิเลสมีราคะเป็นต้นได้แต่ถ้าหากว่าสติความระลึกได้นี่ระลึกไปเสียทางอื่นไม่ระลึกเข้ามาดูการดูจิตอันนี้ให้แจ่มแจ้งอยู่เสมอแล้ว แหลจิตใจมันก็ยอมหลงไหลไปตามสัญญาอารมณ์ที่จิตมันหมายไว้แต่ในอดีตเห็นมันเคยผูกพันอยู่กับรูปเสียงอันใดที่ตนเห็นว่าสวยๆงามๆอย่างนี้นะมันก็วิ่งไปหาอารมณ์อันนั้นแหะจิตใจเพื่อไม่ควบคุมเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้น พระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้มีสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติก็คือกายหนึ่งเวทนาหนึ่งจิตหนึ่งธรรมมรรมนึ่งมีมีฐานที่ตั้งของสติยุสี่ฐานนี่เองให้พากันเข้าใจแปลว่าคว่ามัน ล, ลึกอยู่ในอาการทั้งสี่นี้ อ้าวแล้วก็จะมาให้คิดไปเรื่องอื่นบ้างหรือว่าเงี้นคิดอยู่แต่ต้องกำหนดว่าเรื่องนั้นมันจําเป็นที่จะต้องคิดเกี่ยวกับกิจการงานบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้ก็พอต้องคิดแต่เมื่อไม่มีธุระอนไดที่จะต้องคิดไปถึงเรื่องอื่นแล้วอย่างนี้นะเราก็มาตั้งสติเพ่งอยู่ในกาย ในเวทนาในจิตในธรรมารมณ์นี้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขาให้พากันเข้าใจอุบายวิธีฝึ ก, กจิตที่พระศาสดาทรงสอนไว้นั่นมีอยู่หลายนหนเพราะว่าจริตติดไส้คนเรานี่ไม่เหมือนกันต่างคนต่างสะสมอบรมมาต่างๆกัน ไม่เหมือนกันบางคนก็มีนิสัยเป็นคนเจ้าชู้มักมากในกามบางคนก็เป็นคนมีนิสัยชอบโกรธคนโน้นเกลียดคนนี้อิจฉาลิศยาเบียดเพียนคนโน้นคนนี้อันจริตนิสัยอย่างนี้และไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอุบายธรรมะที่菩าทา่า ทรงแสดงไว้สำหรับกรํารจัดกิเลสแต่และอย่างนี้โดยเฉพาะมันก็มีอยู่แต่อย่างนั้นทีนี้อุบายสำหรับคาจัดกิเลสทั่วๆไปก็ได้แก่สติปัฏฐานสี่นี้เองอันนี้เดียวมันเหมาะสมกับการละกิเลสทั่วๆไปเนื่องจากว่า ผู้ทีมม่มีสติสมวัชนยะมากำหนดรู้ร่างกายนี้ตามเป็นจริงได้แล้วมันก็คลายออกทั้งราคะทั้งโทสะทั้งโมหะนั่นแหละคลายออกได้ไม่มากก็ น, น้อยเมื่อเจริญมากๆเข้าไปเกิดความรู้ยิ่งขึ้นมาเท่าไรจิตมันก็ยิ่งคลายกิเลสเหล่านี้ออกไปได้มากเท่านั้นทางนี้ก็ข้อเหตุป่า ก่อนเมื่อร่างกายนี่มันไม่สวยหมองามเมื่อเพ่งเห็นตามธรรมชาติแล้วอย่างนี้มันก็คลายความกำหนัดออกได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันเห็นว่ามันสวยมืองามหลืองมัน่ะทีนี้เมื่อมาเห็นร่างกายนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกของดับเป็นของไม่มีสาระแก่นสารอะไรอย่างนี้นะมันก็คลายโทสะออกไป ก็เมื่อโกรธกันเนี่ยมันจะโกรธใครล่ะก็โกรธรูปร่างอันนี้เองเห็นรูปร่างอันนี้เอาสมมติว่าเป็นคนนะเมื่อไม่พอใจแล้วก็โกรธรูปร่างอันนี้แหละเมื่อมาเห็นรูปร่างนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนเป็นของชำรุดสุดโทรมแตกดับอย่างนี้แล้วไม่ทราบว่าจะไปโกรธอวิมานอะไรอ่ะ มันเป็นของไม่เที่ยงย่่งยืนที่จะให้ยืนตัวอยู่ได้อย่างนี้มันมองเห็นจะนี่แล้วมันก็คลายความโกรธลงนี่แหละถ้ามันมองเห็นร่างกายอันนี้เป็นแต่สภาวะ ธ, ธ, ธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกก็ดับทำลายลงเช่นนี้มันก็หายสงสัยในเรื่องรูปเรื่องนามอันนี้ความหลง มันก็ยอมเบาบางออกไปจากกิตใจนี่ได้แต่ก่อนนั้นมันหลงว่าร่างกายนี่มันเป็นตัวเป็นตนอยู่อย่างงี้นะว่าหลงไหลว่าเห็นว่าร่างกายนี่อาศัยเหตุปัจจัยภายนอกมาปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วก็ตามรักษาอย่างนั้นลทัทธิบางอย่างบางลทัทธิเขาจึง ต้องมีการเส้นสวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่ให้กำเนิดเกิดเป็นคนมาให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขเขาก็ถือกันอย่างนั้นมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่บังเกิดขึ้นเขาก็ทำกันมาอยู่นั้นแต่แล้วเมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นในโลกแล้วมาทรงพิจารณา <c oughs> เห็นแจ้งในนามในโลกอันนี้เรา ก็จพียงได้หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายคนทุกข์พ้นภัยไปได้นเนี่ยพระองค์เจ้าจึงมองไม่เห็นเลยว่าไอ <Jenna> <c urt> สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนสมัยนั้นนับถือบวงสวงบูชากันอยู่จะไปช่วยให้คนพ้นทุกข์ไปได้เพราะว่าความทุกข์มันอยู่ที่ใจคนต่างหากเมื่อบุคคลปล่อยใจให้ความโลภโกรธหลงครอบงำอยู่เช่นนั้นเลยแล้วยังไปทําชั่วอยู่นี่ แล้วจะไปให้สิ่งลึกลับมาช่วยให้เป็นคนดีให้เจริญด้วยลาบยกสนเสริญมันจะได้อย่างไงอ่ะเพราะว่าตนทําชั่วอยู่กรรมชั่วมันก็ตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปในสงสารอันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหะพระพุทธเจ้าจึงทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั่นอย่าไปเชื่อปัจจัยภายนอก อย่าไปถือมองคนตื่นข่าวที่เล่าเล่ากันมาว่าตรงโน้นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาศัยอยู่ตรงนี้ควรเคารพควรกราบควรคไหว้เพราะมีเจ้าข่อผู้วิเศษอะไรอาศัยอยู่ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันคนเหล่านั้นยังไม่รู้เลยว่าไอ้ผู้วิเศษไม้เอายังไงผู้วิเศษ ผู้วิเศษที่แท้จริงนะยังไม่รู้เลยต่อเมื่อพระพุทธเจ้าวังเกิดขึ้นในโลกได้ละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วพระองค์จึงแสดงว่าบุคคลจะเป็นผู้วิเศษเพราะชาติเพราะตระกูลสูงเท่านั้นก็หามีได้บุคคลผู้จะเป็นผู้ไม่วิเศษได้เพราะ เกิดในตระกูลอันตำ่ำอย่างนี้ก็หาไม่ได้อืมอันบุคคลจะเป็นคนเลวได้นั่นเพราะเหตุว่ามีความบกพริทุจริตด้วยกายวาจาใจมีข้าตัดเป็นต้นอย่างนี้มันถึงกลายเป็นคนเลวไปได้จะเป็นเกิดในตระกูลถึงสูงหรือตระกูลต่ำก็าตามถ้าบกพฤิตติเลวไหล มีค่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานล้วนนะ่ะก็จัดว่าเป็นคนเลวในพระพุทธศาสนานี้นะมันเป็นยงนั้นถ้าเป็นคนชั้นต่ำเขาประพฤติสุจริตด้วยตายวาจาใจมีเว้นจากข่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมก่าวมุสาวาดดื่มสุราเมีัยกัญชายาพิ่นเฮโรอีนเมื่อเขาเว้นจากความชั่วเหล่านี้ได้ เขาตั้งอยู่ในความดีมีกายวาจาใจอ่อนน้อมทอมต้นต่อบคนที่ควรอ่อ น, นน้อมเคารพนับถือกราบไหวบูชา บ, บุคคลที่ควรบูชาหรือว่าวัตถุที่ควรบูชาในเช่นนี้แล้วเขาบำเพ็ญกุศลให้สูงขึ้นไปโดยลําดับการฝึกขนอารมจิตใจให้สงบจนเจริญปัญญาให้เกิดดีขึ้น สามารถละกิเลสปาประธรรมให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้คนเช่นนี้นะ่ะจะเกิดในตระกูลต่ำหรือตระกูลสูงพระองค์เจ้าก็ทงตรัสว่าเป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐในโลกอืนั่นแหละผู้ใดอยากรู้จักว่าผู้เลิศผู้ประ เ, ศรศเสริฐเสิฐผู้ที่ควรกราบควรไหว้ควรบูชาก็ได้แก่ท่านผู้มีความเพียรพยายามละ อาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากพรรัสดานจะเป็นโดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างท่านทั้งสี่จำพวกดังกล่าวมาแล้วนั้นก็เชื่อว่าเป็นบุคคลที่ควรกราบควรไหว้ควรสักการะบูชาควรถวายทยายาทานทั้งนั้นเลยนี่แหละในในพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าทรงสแสดงถึง บุคคลที่คนบูชาได้แก่บุคคลท่านผู้สิ้นอาสวัคิเลสแล้วสถานที่คนบูชาได้แก่สถานที่พระพุทธเจ้าหรือพระอระหันต์ปรติพันแล้วพุทธศาสนิกชนได้ก่อพระเจดีเอาพระอัฐิธาตของท่านไปบรรจุไว้ในพระเจดีเช่นนั้นอ่าเป็น ท่านเรียกว่าภูชเนียวัตถุเป็นวัตถุที่ควรควกราบควรไหว้สักการบูชาและลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเป็นอารมณ์โอ้ท่านภูเ้นอาสวะกีเลตแล้วยอมเป็นผู้ค้นจักทุกภัยในสงสารไปแล้วหนอได้บรรลุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นสถานที่สงบระงับอยู่ตลอดอ น, นันตาการแ ม, ม, ม้ถ้าเราพยายาม ละข่มทั่วทำความดีพยายามฝึกฝนอารมณ์จิตใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้เราก็คงจะมีทางหลุดพ้นจากกิเลสตัณหานีได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นแหลเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปอ้อนวอนวูงหลวงต่อสิ่งสักสิทธิ์ใดในสากลโลกอนนี้ให้มารนบันดาลให้ตนมีความสุข ความเจริญอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าสิ่งเหล่า น, นั้นช่วยไม่ได้หรอกถ้าสิ่งเหล่า น, นั้นช่วยได้เราจะมีใครถึงความวิบัติละ่ะเพราะคนส่วนมากนี่เขามกากจะบวงสวงอ้อนวอนสิ่งชักทิศก็ดูสิในกรุงเทพมีคนสร้างรูปถ้าหมหาพรหมสี่กอเอาใส่หอไว้ทางสี่แยกมุมถนนน่ะ ไอ้คนก็เอาซื้อพวงมาลัยดอกไม้ไปบูชาไปครองสารทับภูมิอะนั่นนะจนว่าครองพเนรเทินทึกแล้วท้งบริจาคเงินอีกด้วยมีเจ้าหน้าที่คอยรักษาดูแลในเดือนหนึ่งได้เงินไม่ใช่น้อยนะี่อ่านั่นแหละแสดงว่าคนเหล่านั้นไม่รู้ว่าพู้วิเศษนั้นคืออะไรดังที่กล่าวมาแล้วนะนะั่นองคจริงถ้าหมหาพรหมนะก็ยังไม่สิ้นกิเลสนะี ยังจะต้องวนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอีกส่อฟ้าอยู่ไม่ใช่เป็นผู้วิเศษสูงสุดเหมือนอย่างพระอระหันต์ัสมาสมุทัเจ้าหรือพระอระหันต์ตสาวกทั้งหลายอันนี้ท่านละอาสวะกิเลสสิ้นแล้วโดประการทั้งปวงเมื่อบุญเก่าที่ตกแต่งอัตภาพร่างกายท่านอาศัยมาเนี่มันหมดลงเมื่อใดท่านก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานเมื่อนั้น ก็ต้อง ไ, ไม่ต้องเล่รอนไปหาที่เกิดใหม่อีกต่อไปนี่เป็นอย่างนี้อันความเป็นผู้ประเสริฐนี่นะขอให้เข้าใจเมื่อผูใ้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ไม่ไปเที่ยวไปกราบไปไหว้ปลำปลาอันใ น, นสถานที่คนก็คือข่าวโคตรนาชวนเชื่อกันว่าสถานที่นั่นศักดิ์สิทธิส์สถานที่นี้มีผีดุร้าย ถ้าใครผ่านไปนั้นไม่ไหว้ไม่มีดอกไม้บูชาอย่างนี้แล้วจะมีอันเป็นไปมีอันตรายโมนี่นะคนได้ยินได้ฟังเสียงโฆษณาอย่างนี้แล้วถ้าเดินทางไปที่นั่น่ะต้องเตรียมดอกไม้ต้องเตรียไมไปบูชามีล้มก็ต้องหุบล่มมีรองเท้าก็ถอดรองเท้านอนไปไหว้ที่ทางจากจังหวัดเลยไปเพชรบูรณ์นี่ไปอำเภอลมศักนี่ เขาเรียกว่าแม่น้ำเลยมีคนไปทําสารเจ้าไว้ริมแม่น้ําเลยนั่นน่ะแล้วก็เล่าต่อๆกันไปว่าอที่นั่นน่ะมีเจ้าพ่อผู้ศักดิ์สิทธิ์อะไรโย่ใครไปที่ผ่านไปที่นั่นแล้วไม่กราบไม่ไหวไม่ทําความเคารพไม่บูชาใน ด, ดอกไม้ทุเพียนก็จะมีอันเป็นไปเราเดินไป ทังสวมรองเท้านั่นแหละล้วก็กั้นล่มด้วยแล้วก็ไม่หูล่มแล้วก็ไม่ถอดรองเท้าแล้วก็ไปยืนพิจารณาพงธรรมสังเวชลงนี่เนอคนเนอะพุทธศาสนาเนี่ยประกาศคําสอนของอุตติเจ้าโดยเหตุผลที่ว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วไอ้ความสุขความทุกข์เกิดแก่การกระทําของคนเราไม่ใช่เกิดแต่เหตุภายนอก พระองค์เจ้าสอนอย่างนี้มันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจาหลงไหลไปบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่โคษณชนกันต่อๆกันไปหมู่นั้นนะเกิดความกลัวขึ้นอย่างนี้นะเนี่ยถ้าผู้ที่มีบุญมีคุณอยู่ในใจเป็นผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเถเจ้า ชำระตนให้บริสุทธิ์จากบาปโทษบนทินอยู่อย่างนี้แล้วก็จะไปกลัวอะไรทีนี้พราเราเชื่อสมุนต์ต่อคุณนี้ว่าเป็นที่พึง่งอันประเสริฐจริงๆอถ้าผูใ้ใดไม่เชื่อบุญคุณนี่ว่าเป็นที่พึง่งอันประเสริฐกลัวอืกลัวที่เขาเขากล่าวว่าสถานที่นั้นสักศิกก็กลัวแหละไอ้ผู้ใดใเชื่อมั่นในความดีของตัวเองอย่างมั่นคงเราไม่กลัวน ในกลัวแล้วแล้วก็เดินผ่านไปเฉยๆนี่ไม่เห็นเป็นอะไรนะไม่เห็นเป็นอะไรอือย่างนี้แหละคนเราจึงว่ามันอุบายที่จะกําจัดความหลงเหล่านี้ก็ได้เกิดการที่มาเจริญสติปัฏฐานสี่อย่างว่านั่นเนี่ยอ่าพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้ออกให้เป็นชิ้นเป็นส่วนออกไปแล้วถาม จิตใจดูว่าที่ไหนเป็นตัวตนของเราผมหรือขนหรือเล็บหรือฟันหรือหนังหรือเป็นตัวตนไม่ใช่ตลอดอาการสามสิสองนั่นหรือเป็นตัวตนไม่ใช่ทำไมจึงว่าไม่เป็นตัวตนไม่เป็นตัวตนเพราะเหตุว่าบังคับไม่ได้ไม่เป็นไดตามใจหวันถ้าหากว่าเป็นตัวตนของตนจริงๆ ใครเลยจะไปอยากแก่อยากเจ็บจยากตายแบบนี้นนีไม่มีใครอยากแก่เกิดมาแล้วจะ อ, กกอยู่อย่างนี้ให้ยั่งยืนไปตลอดกาลนานแต่มันบังคับไม่ได้สิแบบนี้นะมันไม่เป็นไปตามใจหวังเนี่ยเมื่อมาเห็นแจ้งชัดอย่างนี้แล้วมันก็เห็นสิ่งอื่นนอกจากร่างกายนี่ออกไปเป็นของว่างจากสัจกบุคคลนะอย่างนี้แล้วแล้วจะไปกลัวอะไรโลกสันนิบาตอันนี้นะ ก็มันไม่มีอะไรจะให้กลัวอะไรเพราะมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอะไรมีแต่ปรากฏการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้ว ก, ลก็แผลปนแจกดับไปอยู่นี่เท่านั้นเองไงไอ้ที่ว่าสิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชจะมาเบียดเบียนเอาอย่างน้นอย่างนี้มันเข้าใจผิดไปในเมื่อตอนทำดีอยู่ตนไม่ได้ทำชั่ว อนมีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ไม่เบียดเบียนเหมือนอย่างคนอยู่ในโลกนี่แหละถ้าเขาเป็นคนดีนะเขาสำรวมกายวาจาใจด้วยดีไม่เบียดเบียนใครมีแต่อุเคราะห์สงเคราะห์คนทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตามกำลังเขาที่จะทำได้อย่างนี้จะมีใครรังเกียจรังแกหร่อนั่นไงก็มีแต่คนเขายกย่องสรรเสริญอย่างนี้เช่นอย่างว่า เด็กนักเรียนอายุ 11-12 ปีไปเห็นของเขาตกเก็บของตกได้มีเงินตั้งเป็นแสนๆก็มีมีสมบัติอื่นๆมากมายเด็กนั้นมันยังไม่เอายังเอาไปมอบให้ตำรวจตำรวจก็โคตรนาหาเจ้าของเมื่อเจ้าของไปแสดงว่ามีหลักฐานเพียงพอเป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้ตำรวจก็มอบให้ไปเลยอย่างนี้นะ เขาทำความดีอย่างนี้เพราะฉะนั้นชื่อเสียงก็จึงกระสอนไปทั่วโลกทั่วประเทศเลยอย่างนี้นะคนดีอย่างนี้นะแล้วจะมีอะไรมาทำอันตรายใน ว, วันนี้นะอันนี้เราเชื่อมั่นในบุญกุศลในความดีในคุณพระรัตนไกรว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆแล้วอย่างนี้ไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายได้ไอนน้ที่มีความวิบัติอันเป็นไป บางคนบางครั้งนั่นน่ะอันนั้นบุคคลคนนั้นไปทําชั่วอืมไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นกรรมบางอย่างมันก็ให้ผลในปัจจุบันเลยก็มีอย่างนี้แต่บางอย่างมันก็ยังไม่ให้ผลก่อนถ้ากรรมใดที่เขาทําลงในปัจจุบันนี่แล้มันมีกรรมแต่ผลหลังนนมาสนมมาหนุนส่งเขาอีกนั่นมันก็เลยให้ผลขึ้นในปัจจุบันทันด่วนเลย ก็มีอันเป็นไปได้แล่เพราะความชั่วนั่นเองนะที่มันจะถึงความวิบัติในเวลาที่ไม่ควรจะวิบัติอย่างนี้ทหพึ่งพากันพิจารณาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจให้ถูกต้องอแต่เท่าที่สังเกตมาสังคมมาคนส่วนหลายคนเะมื่อค่อยเชื่อมันในคุณพระรัชนาไกลนีเท่าไหร่นะัก มีเรื่องอะไรมากลัวแล้วแสดงความกลัวออกมาแล้วอย่างนี้นะอืกลัวแต่ภัยอันต ร, รายกลัวอที่ที่แสดงออกมานั้นแสดงว่าไม่เห็นแจ้งในบุญในคุณอยู่ในใจไม่ไม่ได้รับความอบอุ่นใจเพราะบุญคุณที่ตนได้กระทําบําเพ็ญหรือเคารพนับถือบูชามา เช่นนี้นะถึงไม่ได้ความอุ่นใจแล้วก็ว่าเวใจพอมีผู้โฆษณาว่าจะมีภัยพิบัติอันตรายอะไรเกิดขึ้นีกลัวไว้แล้วเมื่อกลัวมันก็เป็นเหตุมันก็จําเป็ น, นต้องได้วิ่งหาหาหมอหาผู้เชี่ยวชาญสดดะดอกเคาะปัดลังควานกำจัดสเสนียจันรอะไรต่ออะไรออกไปอะไรวันนี้นะเนี่ยนี่ไม่ใช่ว่าเป็น ธรรมะอันตื้นตื้นนะคิดให้เดียวความหลงไหลดังกล่าววันนี้นะมันเกี่ยวกับไม่รู้เหตุปัจจัยของชีวิตตามเป็นจริงแล้วก็เกี่ยวกับว่าไม่มีปัญญามองเห็นคุณพระรัตนไกรและบุญกุศลนี่ว่าเป็นที่พึ่งกรรำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆมองไม่เห็นด้วยปัญญาเลยมีแต่เชื่อเชื่อไปตามกันไปส่วนมากเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นในที่นี้จึงขอเตือนเพื่อนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่าเราต้องเจริญสติปัะฐาสี่นี้ให้มากให้สติมัน ล, ลึกเข้ามาที่กายที่ใจที่เวทนาะที่ธรรมารมณ์ที่จิตมันคิดปุงแต่งขึ้นทั้งสังนี้นะเมื่อมาเพ่งพิจารณาเห็นความคิดความนึกที่เกิดขึ้นในใจนีว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไร เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นแหละบรนดาลของคิดทั้งหลายทั้งดีทั้งชั่วเหตนนั mm ้นพระองค์เจ้าจึางสอนว่าให้ให้กําหนดให้เตือนจิตให้รู้ว่าธรรมารมก็สักว่าแต่ธรรมารมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาห mm hmm. มายความว่าลบความคิดความนึกเหล่า น, น, นออกไปอย่าไปสําคัญว่าความคิดมันดีมันชั่ว ออย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปทําคันนะ เ, เมื่อลบสมมุติแห่งความคิดดีคิดชั่วอันตาวนั้นทิ้งหมดลงไปแล้ววันนี้นะมีอะไรเป็นที่พึ่งอา้าวมีความรู้จริงแล้วเป็นที่พึ่งนี่แหละความรู้จริงความไม่ยึดมัน่นถือมันอะไรอะไรเลยเนี่ยเป็นที่พึ่งนะใจเข้มแข็งใจตั้งมัน่นเพราะรู้จริง พบมองเห็นโลกอนิวาสอนนี้ทั้งภายนอกภายในทั้งหยาบทั้งละเอียดล้วนแต่เป็นของเกิดแล้วแปรปวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเลยนี่เมื่อมองเห็นอย่างนี้จิตใจมันก็ตั้งมั่นอาถรรพไม่สะดุ้งหวาดกลัวตอบภัยอันตรายต่างๆอะไรเลยเพราะว่ามันมีความรู้อยู่หลายทางนี่ทางหนึ่งก็รู้กรรมรู้ผลของกรรม กรรมมัชรูปรูปนี่กรรมเป็นเครื่องตกแต่งไว้ถ้าหากว่าตนมีบุญได้ทำมาแต่ก่อนบุญก็ตามรักษารูปกายอันนี้ไว้ไม่ให้มันถึงความวิบัติได้นี่แต่ถ้าว่าตนได้ทำกรรมชั่วได้ทำผู้อื่นได้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาแต่ก่อนเช่นนั้นแล้วเมื่อกรรมนั้นตามมาให้ผลเมื่อก็ไม่มีใครช่วยได้เราก็รู้อย่างนี้แหละ ให้ในโลกนี้ผู้มีมิจฉาเดชยังไงก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าอานุภาพแห่งกรรมชั่วเนี่ยย่อมมีเหนือชีวิตของบุคคลผู้กระทํากรรมชั่วนั้นใครไปช่วยไม่ได้เลยอเมื่อมีความรู้แจ้งในใจอย่างนี้แล้วจะไปกลัวอะไรวะนี่เอา้าถ้าถึงเกิดความวิบัติมาอใครๆก็ช่วยไม่ได้หมอคุกยาวิเศษก็ช่วยไม่ได้อย่างนี้ก็ โยนให้กรรมเท่านั้นแหละือกรรมของเราเองเราทํำกรรมชั่วมาแตรกร่ก่อนวันนี้มันตามมาทันแล้วมันให้ผลเราไม่ต้องเสียใจเพราะตัวเองเป็นผู้ทำเอามาอมไม่มีใครบังคับให้ตนทำความชั่วนั่นนะ่ะตนทําเองนี่ก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แล้วมันก็วันเท่าความกลัวลงได้สิวันนี้ น, ะนั่นแหละ กามานึกถึงความดีของตัวที่ทำประกอบเข้าไปอีกตอเมื่อทนมีบุญมีคุณไวทีพึ่งอย่างว่านี้แล้วอยู่แต่แม่ร่างกายนี่มันจะวิบัติมันจะแตกทำลายลงก็มันก็ไม่เดือร้อนอะไรอ่ะเพราะตนมีที่พึ่งแล้วอุปมามันอย่างคนอาศัยอยู่ในเรือนหลังหนึ่งเมื่อได้อาศัยอยู่ในเรือนนั้นแล้วก็รีบแสวงหาเงินทองเข้าของ โดยความไม่ประมาทเอาสะองเงินทองเข้าของอันมีค่าไว้ให้เต็มความสามารถทีนี้เมื่อรู้ว่าเรือนหลังนั้นน่ะอาศัยมันมานานไม่มันไม่ถาวนมันก็สำรุกทรุดโทรมผูุพังลงไปวันนี้ผู้เจ้าของเรือนก็หอบเอาของมีค่านั้นหนีออกอุปภมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ คำว่าเรือนเป็นที่อาศัยนั่นหมายถึงเรือนภายนอกเป็นที่อาศัยของร่างกายร่างกายนี้เป็นเรือนภายในเป็นที่อาศัยอยู่ของดวงจิตอย่างนี้เมื่อดวงเิต ด, ดวงใดฉลาดมีปัญญามองเห็นร่างกายนี่ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่ย่งยืนแต่ว่าอาศัยบุญกรรมที่ทามาแต่ก่อนตามรักษาไว้ยังไม่ให้แตกไม่ให้ดับก่อน รู้อย่างนี้แล้วก็รีบเร่งทำความดีเข้าไปทำดีพูดดีคิดดีไปเรื่อยๆอย่าไปทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วใส่ตัวเองอย่างนี้นะสะสมแต่ความดีเข้าไว้ใส่ใจของตนให้ได้ก่อนที่ร่างกายนี้มันจะแปรปรวนแตกดับไปพอเมื่อผู้นั้นได้สะสมบุญกุศลคุณพระรัตนกร ไห้ในใจให้เต็มความสามารถแล้ววันนี้ร่างกายนี้มันจะวิบัติแปรปวนแตกดับทำลายลงไปเมื่อใดก็แล้วแต่มันมะ น, นี้จิตใจจะไม่สะดุ้งหวาดกลัวเลยเพราะมีที่พึ่งอยู่ภายในแล้วมีบุญมีคุณเป็นที่พึ่งอยู่แล้วอย่างนี้นะถึงไม่สะดุ้งหวาดกลัวถ้าอุปมาหนึ่งก็เหมือนบุคคลที่อยู่ในเรือนหรือในป้อมในค่ายที่แข็งแรงทนทานดี อย่างนี้แม่ค่าสืบยิงมาได้สี่ทิศมันก็ไม่สามารถที่จะพังลงได้ก้อมไข่อันนั้นบ้านเรือนที่สร้างให้มันคงท้าบอลดีแล้วลมฝนแดดอะไรพัดมามันก็ไม่มันก็ไม่พังไม่พินาศทิหายบ้านเรือนท้าบ อ, อืมเจ้าของเรือนก็อยู่เย็นสบายดีไม่ต้องสะดุ้งตกใจกลัวอะไร นี่อุปมานี่ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้เห็นบุญเน้นคุณปรากฏอยู่ในใจของตนว่าทุกวันนี้เรามีฉีวิเป็นอยู่กับบุญกับคุณเป็นอยู่กับปัญญาเรามีปัญญารู้เท่าสิ่งทั้งพวงอยู่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นก็ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อมารู้มาเห็นอยู่อย่างนี้แล้ว จิตใจมันก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นก็นมไม่ยึดไปเถือเป็นของเราอย่างนี้นะก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความรู้ดีความรู้จริงนั่นแหละเป็นที่พึ่งกว่า น, นี้นะเหตุนั้นพระอราหันต์ทั้งหลายท่านจึงหายจากความสะดุ้งหวาดกลัวต่ อ, อความตายลงไปเพราะเหตุว่าท่านมองเห็นโดยปัญญาแล้วว่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ตาย มีแต่ธาตุสี่ขันห้ามันเกิดขึ้นแล้วแปรปวนแตกดับไปเท่านั้นอืแล้วก็จิตของท่านก็วางความยึดถือธาตุสี่ขันห้านั้นแล้วด้วยอํานาจแห่งอริยมรรต์อย่างนี้เพราะฉะนั้นพระอารหันต์ท่านจึงไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายแต่ตามจากพระอรหันต์ลงมานี่มันยังมีความสะดุ้งอยู่ต่างแต่ว่าสะดุ้งมากสะดุ้งน้อยกลัวกันเท่านั้นเองนะ อ่งว่าพระอนาคาอย่างนี้การที่สะ ด, ดุ้งตอความตายเนี่ยกดูมันจะมีน้อยมาแถมพระสกิทาคาพระโสดาบันอันมนี้ก็สะ ด, ดุ้งตอกความกลัวต่อความตายต่างๆนี่ก็มากน้อยมากกว่าพระอนาคามีอย่างนี้แหละแล้วไอ้คนกัลยาณนะชนคนบูมีสินธรรมนิยงาม เมื่อได้สดับคำถ่องพระพุทธเจ้าแล้วอย่างนี้ฝึกหัดจิตของตนให้มัน่นคงในบุญในคุณอย่างว่ามาแล้วนั่นนะก็เป็นผู้ที่มีความสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายน้อยเต็มที่พอระลึกตั้งสติได้พอระลึกถึงบุญถึงคุณที่ตนบําเพ็ญมาได้จิตใจมันก็ตั้งมั่นแล้วแล้วก็มีปัญญามองเห็นขนันหน้านี่มันกําลังแะแตกแะดับอยู่ อย่างนี้แล้วก็จิตใจมันก็ไม่กังวลกับธาตุสี่ขันห้าไม่ได้วิตกกว่าเรากําลังเจ็บเรากําลังจะตายอยู่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้นะนั่นจะไม่มีตกเลยในขณะนั้นถ้ามันวิตกก็จะวิตกว่าธาตุสี่และขันห้ากําลังจะแตกจะดับอยู่เวลานี้นะออท่านจะไม่วิตกกว่าเราเขาจะแตกจะตายอะไรก็อะไรอย่างนั้น นี่แหละความรู้ยิ่งเห็นจริงของพระอาราหันต์หรือพระอริยเจ้าทั้งหลายดังนั้นไอ้ผู้ที่ยังไม่บรรลุมรรคธรรมอินเย่างว่านั่นไอ้เราก็น้อมพิจารณาเข้ามาในร่างกายสังสารอันนี้พิจารณาให้เห็นแจ้งตามเป็นจริงอยู่เสมอเสมอไปแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะหายจากความสะดุ้งวากรัวต่อความ เก็บความตายดังกล่าวมานั่นได้เพราะฉะนั้นและเมื่อผู้ใดได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามในสติปัฏฐานธรรมทั้งสี่ที่หยิบยกมาแสดงให้ฟังมาโดยลำดับที่ก็นับว่าสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้